บุกทูสี่สิบสองโรกดวการเที่ยวเมืองแอกซ์คู ร, ร์ียพาโฮรตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเจ็ดกรุ๊ตเรนักปัญญาลงานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ จัด ก, กิจกรรมเฉพาะวันเสาร์นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับเจ็ดกิจ т а ย์วิ т ตา к а พาโอตุลก์สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับเจ็ดกิจเตย์ซ о ปา р ์กปาเซร์ดพิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับรวเจ็ดกิจเตย музей п ์ ч ัช в ั р г а อ หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับสาสามารถถ่ายรูปได้ไหมครับต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับรมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับมีส่สนสวลสสนดวลดสำหรับนักศึกษาไหมครับนั่นตึกอะไรครับ นั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับคุลกิฮาโดุบูดิคุใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับคตุปะบ у д า в а ว б у ดิผมสนใจในสถาปัตยกรรมยัติการผมสนใจในศิลปรกรรมย ц і к а าร ю с я м เ с т อั т в о м ผมสนใจในจิตกรรม